วันนี้เป็นวันทอดกระถินที่นี่ทอดกระถิ่นทำได้เดือนหนึง่งหลังจะออกพรรษาส่วนมากแต่ละวัดก็ทำเสาร์อาทิตย์อนุโลมตามโลกเขาหยุดงานกันเสาร์อาทิตย์เงินวันที่ทอดกระถิ่นก็จะมีแปดวันเป็นเสาร์สี่วันอาทิตย์สี่วั น, าววนงานก็ซ้อนซๆอนซ้อนกัน นี่เราก็จะมาดูการทอดกระถิ่นจริงๆมันก็คือการทำทานอันหนึ่งเท่านั้นแหละแต่ําทำทานที่มีเงินไขพิเศษือกำหนดระยะเวลาที่ทำทำในเวลาจำกัดเดือนหนึ่งพวกเราก็ตั้งใจทำทานก็ดีแล้ว ที่วัดหลวงพ่อเนี่ยกถินนถือว่าเป็นกะถินสามัคคีกันทุกคนที่มาในงานก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกันก็มีเจ้าภาพหลักเป็นตัวตั้งตัวตีกลุ่มหนึ่งเป็นเจ้าภาพหลักทุกคนก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันการทำบุญ มันมีผลเป็นความสุขมันถ้าเาเวลาเราไปทำบุญที่ไหนก็ตามเราใจเราไม่มีความสุขมันไม่ได้บุญอย่างบางคนบางที่เราแย่งกันทำนะเครียดอย่ากจะส่งน้ำพระจะต้องลดเป็นคนแรกอย่างเงี้ยเป็นคนที่สองนะรู้สึกไม่ดีได้บุญน้อย บุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นบุญที่ประกอบด้วยปัญญาบุญที่ประกอบด้วยปัญญามันยกระดับจากบุญขึ้นมาเป็นกุศลเป็นเครื่องชำระล้างกิเลสได้เป็นบุญมันก็ดีเหมือนกันแต่เป็นกุศลมันดีกว่ากุศลแล้น ว, ว่าฉลาดคือมันประกอบด้วยปัญญา ทำบุญใี้ประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยปัญญาอย่างไรคือถ้าเราทำบุญเพื่อลดลากิเลสตัวเองมันเป็นบุญใหญ่ถ้าทำบุญโดยหวังผลตอบแทนก็เป็นบุญที่น้อยหน่อยเงินหลักสำคัญของเราชาวพุทธก็คือ งานหลักเราจริงๆไม่ใช่งานทําบุญหรอกแต่งานลดละกิเลสนี่คืองานหลักของเราอย่างเรามาทําทางเนี่ยก็เพื่อลดละความจนิของเราเราทอดกรถินเราบอกพักพวกเพื่อนฝูงมาเยอันนี้ก็เป็นความเผื่อแผ่ความดีให้คนอื่นเขาได้ทราบได้ร่วม นี่เป็นความใจกว้างของเราการทำทานถ้าทำโดยหวังผลตอบแทนแบบโลกโลกขอให้รวยขอให้สวยขอให้เก่งขออย่างโน้นขออย่างนี้ฟังให้ดีมันมีคำว่าขอเต็มไปหมดเลยไม่มีคำว่าให้ทานเป็นเรื่องของการให้นะ แต่พอให้แล้วเราขอเยอะแยะไปหมดเลยงั้นฐานของเราอนะั้นยังเจือด้วยความโลภแต่ถ้าเราทำวางใจให้ดีให้ฉลาดอย่างเรามาทำบุญทอดกระินมาทำสังฆทานอนะไรนี่เพื่ออนุเคราะห์พระทอดกระถิ่นก็ทำให้พระได้อานิสงส์ของการ รับกระถินอันนี้สงฆ์นะไม่ใช่ของวิเศษอะไรนะภาษาไทยมันทำให้พวกเราสับสนอันนี้สง์ก็คือประโยชน์ที่จะได้รับอย่างพวกเรามาทอดกระถินเนี่ยพระได้รับประโยชน์บางอย่างอันแรกเลยเก็บผ้าเก็บผ้าไว้ได้นานกว่าปกติอันะอหนึ่งก็คืออย่างเรื่อง การฉันอาหารอ่างเงี้ยฉันรวมกลุ่มได้ปกติก็ต้องแยกกันฉันอยู่อย่างที่นั่งต่างองค์ต่างฉันนะออกนอกวัดได้โดยไม่ต้องบอกกับพระอื่นไม่ต้องบอกลาไม่อันนี้สง์ไม่ใช่ว่าทำแล้วจะหอะได้จะขึ้นสวรรค์อย่างโน้นอย่างนี้นะ มันคือสิทธทิประโยชน์ที่ให้รางวัลกับพระซึ่งจำพรรษามาอย่างเคร่งเครียดเวลาพรรษาเนี่ยพระจะถูกควบคุมเข้มงวดมากมากกว่าปกติพอมีอนิสงส์งข้นมาก็ให้รางวัล น, นิดหน่อย ถ้าไปดูอา น, นิสง์จากกะถิน่นอานิสง์จากพันษาสองอันนะเข้าพันศาก็ได้อา น, นิสงค์อย่างหนึ่งถ้ารับกตะถินด้วยมีอา น, นิสง์เพิ่มขึ้นไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเลยเรื่องธรรมดาเรื่องการดํารงชีวิตเองส่วนญาติโยมทำบุญถึงไม่หวังว่าจะร่ารวย มันก็รวยมันรวยได้ไงคนที่กล้าเสียสละกล้าให้มันรวยได้แต่ตอนที่จะให้แล้วใจมันพอใจมันอิ่มใจมันเต็มทำไปแล้วก็มีความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขเราทำแล้วเรามีความสุขเรียกว่าเราได้บุญแม่ขออา น, นิสงส์งของโยมนะไปอีกแบบหนึ่งอา น, นิสงส์งของพระมาอีกแบบหนึ่ง นี่เราก็หวังบางทีทอดกรถิ น, นแล้วหวังว่าจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเจ็ดครั้งอะไรเงี้ยโอ้หทอดกันทีหนึ่งทั้งกี่แสนกี่ล้านคนว่าไหร่จะเข้าคิวเป็นจักรพรรดิได้หรืออยากเป็นเทวดาอยากเป็นเทวดาไม่ต้องรอทอดกรถินก็ได้รักษาศีลห้าไว้แล้วเวลาจะทําชั่วละอายแก่ใจ มีความละอายแก่ใจมีความเกลงกลัวผลของบาปของกรรมเท่านี้เราก็เป็นเทวดาได้เราเห็นคนอื่นเขาทำบุญเราไม่มีเงินเลยเราอนุโมทนากับเขาอย่างเขาทำบุญทอดกะถิ่นเราอนุโมทนาเขาเราก็ได้บุญแต่ถ้าใจเราเป็นอกุศลเห็นเขามาเป็นเจ้าภาพแล้วอิจฉาใจเราเป็นอกุศลก็ไม่ได้บุญ บุญหรือบาปมันอยู่ที่ใจเราเป็นตัวตัดสินไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นหรอกยิ่งเราทําบุญเพื่อลดละ ก, กิเลสมีวัตถุประสงค์อย่างนี้นะมันจะพัฒนาขึ้นเป็นกุศลลดละ ก, กิเลสได้มันใหญ่กว่าบุญเยอะเลยบุญเนี้ยทําให้เราเวียนว่ายไต่เกิดไปในภพภูมิที่มีความสุขแต่กุศล จะทำให้เราพ้นจากการเบี่ยงบี่ไต่เกิดพวกเรามาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อนะหรือมาทําบุญวัดหลวงพ่อก็พยายามอัปเกรดหน่อยอย่าหวังแค่ว่าทําบุญสังเกตใจเราไปอย่างเรามาเข้าวัดเราคอยวัดใจของเราตั้งแต่แรกเลยมาเข้าวัดเราเห็นคนโน้นเห็นคนนี้ชอบรู้ว่าชอบ เห็นคนนี้หมันใส้เกลียดขี้หน้ารู้ว่าเกลียดอะไรเงี้ยคนมาจอดรถกวางเราจอดไม่ได้เราอยากจะจอดตรงนี้แหละคนอื่นมาแย่งจอดไปก่อนเี้ยโกรธรู้ว่าโกรธอันนี้ค่อยฉลาดหน่อยนถ้ามาถึงก็เจ้าประคุณขอโน่นขอนีอนอน่อันนั้นมันลูกศิษย์จูชกไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้า ทำไมพระเวสสันดรเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้ขอนะเป็นผู้ให้ท่านให้แล้วท่านเต็ม ช, มชูโชคคือเทวทัตสร้างบา ร, รมีเยอะเหมือนกันแต่ว่าใจขี้อิจฉาอิจฉาพระพุทธเจ้าก็พยายามแยง่งโน้นแย่งนี้คือบา ร, รมีก็ชา ก, กว่าพระพุทธเจ้าเรา พระพุทธเจ้าเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเองทําเพื่อลดละกิเลสทําเพื่อสงเคราะห์สัตว์โลกไม่เฉพาะสงเคราะห์ญาติพี่น้องสงเคราะห์ญาติพี่น้องนั้นก็ยังใจกว้างกว่าสงเคราะห์ตัวเองคนเดียวนี่อย่างพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านสงเคราะห์สัตว์ทั้งหมดเลยสัตว์โลกไม่เลือกเลยใจในะคิดในให้เขามี ได้รับประโยชน์ได้รับความสุขคิดอย่างนี้งั้นบารมีท่านหนึ่งสูงท่านไม่ได้มุ่งเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าถ้าอยากเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะเหนือคนอื่นไม่ได้เป็นหรอกท่านมุ่งเป็นพระพุทธเจ้านะเพื่อจะทำประโยชน์ทำความสุขให้สัตว์ทั้งหลายให้เต็มที่ให้ได้มากที่สุด เมื่อเราทำบุญทำอะไรก็ตามนะให้มันมีฉลาดหน่อยให้มันเป็นกุศลนึ้นมะทำเพื่อลดละ ก, กิเลสลดละความเห็นแก่ตัวทำด้วยความเสียสละทำโดยเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งถ้าวางใจให้อย่างนี้มันจะได้บนสูงไม่ทำแล้วก็หวังรวยหวังโน้นหวังนี่นะเอาเข้าตัวชติหน้าขอให้เรารวยรวยอย่างนี้ ก็จนตั้งแต่ชาตินี้แล้วนะตั้งแต่โลกคนจนคนรวยวัดกันที่ใจนะบางคนมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านอะไรเงี้ย ใ, ใจยังไม่หายหิวยังจนอยู่เขายังรู้สึกว่าเขาไม่พอคือเรามีเงินเดือนพออยู่พอกินไม่อดไม่อยากอะไรเงี้ยพอใจแบ่งส่วนเกิน ไปช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสัตว์อื่นอะเงี้ยใจมันอิ่มใจมันเต็มเหมือนกันในทางโลกอาจจะดูว่าเราจนนะแต่ในทางธรรมในทางจิตวิญญาณเราไม่จนความร่ำรวยในทางโลกมันอยู่กับเราชาติเดียวื่อทีอยู่ไม่ถึงชาตินะเคยรวยรวยอยู่นะธุรกิจเจ๊งโครมลงมาติดลบแล้ว จนกว่าเราสิ่งอเรามีกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งแต่เราไม่มีหนี้คนหนึ่งเคยรวยมหาศาลสถานาการณ์เปลี่ยนจนฉับพลันมี่สมบัติในทางโลกเนะี่ยไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนประมาณเมื่อไหร่ก็หลุดมือเมื่อนั้นทําให้ผลเมื่อไหร่ก็หลุดมือเมื่อนั้น แต่สมบัติทางจิตวิญญาณเนี่ยติดตัวเราข้ามพบข้ามชาติไปได้พูดอย่างนี้ถ้าเราภาวนาเราไม่สามารถรู้อดีตรู้อนาคตไม่เห็นผีสางเทวดาอะไรองนี้อาจจะไม่ค่อยเชื่อฉะนั้นบางที่ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านสอนให้นั่งสมาธิเห็นผีเห็นสวรรค์เห็นนรกอะไรก็ดีเหมือนกันพอเห็นแล้วไม่อยากทําชั่วเห็นเราก็อยากทาดีบ้าง นี่เราพยายามฝึกตัวเองนะสังเกตใจตัวเองให้ดีตัวนี้เข้าเรื่องกรรมฐานแล้วนะสังเกตใจตัวเองให้ดีเวลาเราจะทำบุญหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยอะไรอยู่เบื้องหลังการกระทำของเราก่อนที่จะมีการกระทำทางร่างกายเนี่ยหรือทางวาจาเนี่ยก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำอะไรทางร่างกาย เ, ยเราทํางานทางใจมาก่อน อย่างใจเราเป็นกุศลอยากทำบุญอยากทอดกะถินอะไรนียใจมันทำก่อนแล้ววาจาก็ทำมาบอกกับพระปีนี้จะมาขอทอดกระถิ่นแล้วก็ลงมือทอดกะถินกายวาจาใจก็ครบมันเริ่มจากใจก่อนนี่วาจาจะดีหรือการกระทำจะดีมันอยู่ที่ใจจะดีต้องก่อนใจต้องดีก่อน งั้นเราพยายามสังเกตใจของเราเวลาเราคิดนะอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดของเราอย่างเราคิดทอดกระิ่นเนี่ยอะไรอยู่เบื้องหลังเราอยากใหญ่อยากได้หน้าได้ตาหรือเราอยากสงเคราะห์พระเราอยากสงเคราะห์เพื่อนๆนของเราชวนกันมาทําบุญอะไรเงี้ยนี่อะไรอยู่เบื้องหลังวัดใจตัวเองให้ได้ก่อนเรื่องอื่นๆก็เหมือนกัน เวลาเราจะทำอะไรสัอย่างนะวัดใจตัวเองก่อนว่าที่เราคิดอย่างนี้คิดเพราะอะไรอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดของเรากุศลหรืออกุศลที่อยู่เบื้องหลังความคิดเนี่ยสังเกตที่ใจของเรานี่เองมีสติรู้เท่าทันใจของตัวเองไปอย่างโทสะเกิดเนี่ยความโกรธเกิดขึ้นมันก็อยากด่าเขาอยากตีเขา ถ้าเราเห็นตั้งแต่โทสะเกิดขึ้นในจิต น, นี่มันอยากด่าเขาล้อยากคะแนกกระแหน่เขาแล้กกนแน เ, แลเบื้องหลังของคําพูดที่ไม่ดีเบื้องหลังของการชกต่อยเขาเนี่ยคือโทสะจิตใจเราถูกโทสะครอบงําอย่างเนี้ยพอเราเห็นอย่างนี้นะโทสะจะครอบงําใจเราไม่ได้เนี่ยคอยรู้ทันใจตัวเองไว้ก่อนถ้าเรารู้ทันใจตัวเองไว้ได้นะกิเลสครอบงําใจไม่ได้พอกิเลสครอบงําใจไม่ได้เนะี่ย วาจาเราก็ไม่เป็นไปด้วยอำนาจกิเลสการกระทําทั้งหลายของเราก็ไม่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสยิ่งนั้นกายวาจาใจของเราก็จะสะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้นรักษาใจได้อย่างเดียวเท่านั้นแหละกายวาจามันดีโดยอัตโนมัติเพราะฉะนันการที่เราเมีสติคอยรู้เท่าทันใจตัวเองใจเราโลภขึ้นมาคอยรู้ ใจเราโกรธขึ้นมาเคยรู้ใจเราฟุ้งซ่านเคยรู้ใจเราหดหูเคยรู้เราเห็นคนเดินมาเนี่ยใจเราหมันไส้มันสวยกว่าเราเราเป็นผู้หญิงเราก็ว่าเราสวยแล้วคนนี้สวยกว่าเราเน่ยหมันไส้นันอย่างนี้อยากกระแนะกระแแนมันอยากแสดงท่าทางให้เห็นว่าเธอน่ารังเกียจอะไรเงี้ยนรู้ทันใจซะ ก, ก่อน ว่ากิเลสครอบงาใจไม่ได้นะคาพูดของเรามันก็ดีการกระทําของเรามันก็ดีในส่วนใหญ่นะเขาใส่หน้ากากกันไม่เคยสังเกตที่ใจตัวเองแค่ว่าถ้าอยู่ต่อหน้าคนอื่ น, นก็ทํากริยาวาจาอะไรให้ดูดีมันก็แค่ดูดีเท่านั้นนะแต่ในใจจริงมันไม่ดียังทํากรรมชั่วอยู่เรียกว่ามโนุกกรรม มนโนกรรมนีมีผลยิ่งกว่ากายกรรมยิ่งกว่าวาจีกรรมนะมนโนกรรมเนะพร้อมเป็นตัวกาหนดกายกรรมวจัจจกรรมนั้นเราสังเกตใจของเราไปเรื่อยๆหัดรู้หัดดูใจของเราไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้กิเลสมันมาอาศัยอยู่ในจิตใจของเราเหมือนปล่อยให้งูพิษนะเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเราโดยเราไม่รู้มันก็กัดอนน้นกัดอันนี้ไปเรื่อย อันตรายสุดท้ายมันก็กัดตัวเราเองคือเราก็าไปอบายไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกการสังเกตจิตสังเกตใจตัวเองไม่ใช่เรื่องยากหลวงปู่ดูนเคยสอนหลวงพ่อว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไป น, นี้อ่านจิตตนเองกรรมฐาน ง, าง่ายๆอ่านจิตตนเองไป จิตเรามีความสุขรู้ทันตอนนี้มีความสุขแล้วจิตเรามีความทุกข์รู้ทันเนี่ยตอนนี้ทุกข์แล้วจิตเราสงบรู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตลอบก็รู้จิตไม่ลอบก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้จิตหลงก็รู้จิตรู้สึกตัวอยู่ก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหูก็รู้แค่เฝ้ารู้เฝ้าดูไป จิตอิดช้าจิตเบื่อหน่ายจิตขี้เกียจขี้คลานจิตอย่างโน้นจิตอย่าง น, น, างนี้คอยรู้ทันไปอาฆาตพยาบาทอะไรต่ออะไรนะก็ค่อยรู้ไปหรือเวลาเห็นคนหนึ่งคนได้ดีอิดช้าอย่างนี้ยก็รู้ว่าอิจฉ้าเห็นคนหนึ่นเขาดีเขาทาดนะีปลื้มไปกับเขาด้วยแล้วก็รู้ว่าจิตเป็นกุศลแล้ว ยินดีที่คนอื่นเขาสร้างความดีพวกเรามีทุกคนแหละเรื่องยินดีที่คนอื่นสร้างความดีนะจำตอนเมื่อปีห้าเก้าได้ไหมที่พระเจ้าอยู่หั ว, หวองค์ก่ อ, อสวรรคตพวกเราเสียใจกันมากนะร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกกันทั้งแผ่นดินทุกคนพยายามสร้างความดีมีอะไรก็ไปช่วยกันนะ บางคนไม่รู้จะทำอะไรก็เที่ยวเดินเก็บขยะอะไรเงี้ยเราเห็นคนนี้เขาเดินเก็บขยะเรารู้สึกพลื้มเกัอเขาไหมหรือบางคนเขาไปตั้งซุ้มแจกน้ําำแจกอาหารแจกอะไรเนี่ยเราเห็นแล้วเราพลื้มใจเนี่ยเราได้บุญแล้วนะบุญจากอนุโมทนาอนุโมทนาคือปล่อยยินดีปกับเขาด้วยอนุโมทนาไม่ต้องไปบอกเขาหรอก อย่างเราเห็นเขาทำกระถินเงี้ยเราเพิ่มใจนะเสียสละมาทอดกรถิ่นเราเพิ่มใจกับเขาบุญเนี้ยเกิดเพราะเราเองไม่ใช่เพราะเขาให้นะมนุษย์เนี่ยรับบุญที่คนอื่นให้ไม่ได้มนุษย์เทวดาพรหมอะไรเงี้ยสัตว์เดรัจฉานก็รับส่วนบุญไม่ได้สัตว์นรกก็รับส่วนบุญไม่ได้กำลังติดคุกอยู่ ควรเอาอาหารอย่างดีไปให้ผู้คุูเอาไปกินหมดไม่ถึงนะพวกที่ติดคุกอยู่เนสัตว์ในนรกนะอสุรกายก็รับไม่ได้คนรับไม่ได้สัตว์เทระชานรับไม่ได้มีเปรตบางอย่างนะมีเปรตบางชนิดท่านั้ที่รับได้เนี่เราทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญนะให้สัตว์นนสัตว์นี้ได้รับ แสดงความใจกว้างของเราเท่านั้นเองคิดเผื่อแผ่แต่ถามว่าเขาได้รับไหมเขาไม่ได้รับหรอกอย่างพวกเราทำบุญนะกรวดน้ำมาให้หลวงพ่อเนี้ยหลวงพ่อไม่ได้รับด้วยหรอกแต่ถ้าหลวงพ่อรู้หลวงพ่อเพื่อมใจว่าพวกเราทำความดีอะไรอย่างนี้หลวงพ่อได้บุญบุญเนี้ยเกิดจากการอนุโมทนาอย่างพวกเรานะรู้เลยนะว่า เราสามารถสร้างบุญด้วยตัวเราเองได้เราเห็นคนอื่นเขาทำความดีเราเราปลื้มใจอย่างนี้เราได้บุญได้เต็มเต็มเลยบางทีชอบพูดอย่างเป็นเปอร์เซ็นนะทำเองได้เท่านี้เปอร์เซ็นนะถ้าอนุโมทนาได้เท่านี้เปอร์เซ็นอนะไรเงี้ยบุญไม่ได้เป็นสินค้าที่ช่างตวงวัดได้นะอยู่ที่ใจเราล้วนล้วนไป แต่ถามว่าเวลาเราทำความดีแล้วควรจะทำกรวดน้ำแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไหมให้สัตว์ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไหมควรทำทั้งทั้งที่รู้นะว่าสัตว์ส่วนใหญ่รับไม่ได้อย่างน้อยใจของเราไม่เห็นแก่ตัวบุญของเราเนี่ยเป็นบุญซ้ำซ้อนเราไปสร้างความดีเราก็ได้บุญส่วนหนึ่งแล้วแล้วเราก็อุทิศส่วนบุญเป็นบุญซ้อนบุญ บุญจากการเิทีส่วนบุญไม่ได้ทําให้บุญซึ่งเราสร้างความดีนะั้นระดหย่อนลงเลยเพราะไม่เป็นบุญใหม่เป็นบุญที่เราสร้างความดีใหม่ก็คืออยากให้คนอื่นปรารถนาดีให้คนอื่นเขาได้รับส่วนบุญด้วยเหมือนบุญเก่าของเราไม่ได้พร่องลงเลยนแล้วอันใหม่ที่เราคิดถึงคนอื่นอยากให้เขามีความสุขนเป็นการคิดที่ดีเป็นมโนกรรมที่ดีเป็นบุญใหม่ของเราด้วย พราการที่เราสร้างความดีแล้วเราก็เผื่อแผ่บอกคนให้เขารู้ให้เขาพรื่มให้เขามีส่วนแห่งบุญเนี่ยถ้าเขาฉลาดนะเขาก็อนุโมทนาอนุโมทนาไม่ใช่อยู่ที่ปากบางคนเอาปากพล่อยๆเห็นอะไรดีก็ไปกดไลค์กดแชร์กดอนุโมทนาอนุโมทนาต้องพิมพ์ใช่ไหมอนุโมทนาอะไรเงี้ยในใจเฉยๆอันนี้ต่อแหล่หลอกลวง ไม่ได้บุญจริงหรอกเพราใจไม่ได้ปลื่มไปกับเขาด้วยนั่นจะได้บุญหรือไม่ได้บุญนะจะได้กุศลหรือไม่ได้กุศลอยู่ที่ใจเราเองถ้ากิเลสเข้ามาแล้วก็ไม่มีหรอกบุญกุศลอะไรก็สิ้นถ้าทำแล้วลดละกิเลสได้อันนั้นดีได้ได้กุศลถ้าทําแล้วก็ทําความดีแล้วมีความสุขนั่นแหละเรียกว่าได้บุญธรรมะวันนี้ ไม่ยากนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มาวัดเนะไม่ใช่คนทำกรรมฐานหลวงพ่อก็ต้องเทศให้คนจานวนมากได้ฟังบ้างส่วนกรรมฐานเนะ่เทศอยู่บ่อยๆแล้วไปดู y o youtube ก็ได้เยอะๆไปหมดนี่วันนี้ก็สอนแค่เรื่องทำบุญทำทานอะไร น, นี่แหละแล้วบุญอีกอย่างหนึ่งนะที่ไม่เสียสตังนะรักษาศีล มีบุญรักษาศีลนะอย่างบางคนก็คิดนะทำทานทานอย่างไหนได้บุญเยอะที่สุดเนี่ยธรรมทานได้บุญเยอะที่สุดธรรมทานเนะี่ยหมายถึงให้ความรู้ถูกให้ความเข้าใจถูกกับคนอื่นบางคนก็คิดว่าพิมพ์หนังสือธรรมะแจกแล้วก็เป็นธรรมทานลนะหนังสือธรรมะนั้นเป็นหนังสือที่เพี้ย น, นอย่างนี้ย เผยแพร่สิ่งที่เพี้ยนออกไปนะไม่แน่นะว่าได้บุญนะมันเผยแพร่สิ่งอย่างนั้นไม่เรียกว่าธรรมทานหรอกมันพาคนหลงทางเช่นพิมพ์คำสอนของหอลวงพ่อทวดหลวงพ่อทวดหยบน้ำทะเลจืดเทศอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หลวงพ่อทวดนะมรณภาพไปตั้งแต่สมัยอายุทยาตอนกลางแล้ว ไม่ได้มีใครจดบันทึกว่าท่านเทศเรื่องอะไรอันนี้ยคิดเราเองว่าท่านเทศเอย่างเนี้ยเราก็เปลื้มว่าเนี่ยหลวงปู่ทวดเทศสมเด็จโตเทศสมเด็จโตจะมีคนจดนะแต่ว่าไม่ได้เยอะอย่างทุกวันเนี้ยทุกวันเนี้สมเด็จโตเทศอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วคนอื่นมันเทศแล้วก็ใส่ชื่อว่าสมเด็จโตเทศก็แค่นั้นเองสนวนวัมโนนโวหารมันก็ไม่ใช่สมเด็จโตหรอกดูแล้วก็รู้ไม่ใช่หรอก เนี่ยถ้าเราไปเผยแพร่สิ่งที่ไม่ถูกนะเราพาคนอื่นให้ฉลาดน้อยลงไม่อยากพูดว่างโมนะฟังแล้วไม่สุภาพพาคนอื่นให้ฉลาดน้อยลงตัวเราก็ฉลาดน้อยลงแล้วพาคนอื่นฉลาดน้อยลงอีกไม่ใช่ธรรมทานหรอกนะธรรมทา น, น, นต้องให้ความรู้ถูกให้ความเข้าใจถูกกับคนอื่น ถ้าให้ความรู้ผิดให้ความเข้าใจผิดนะถึงไปพิมพ์หนังสือแจกเยอะๆก็ไม่ใช่ธรรมทานคือคนรับไปแล้วได้ทุกได้โท ษ, โทษอย่างเงี้ยนี่เมื่อสองสาวันนี้มีคนส่งรูปมาให้หลวงพ่อดูว่าเนี่ยมีคนถ่ายรูปหลวงพ่อถวดได้แล้วฝรั่งมาถ่ายไว้เมื่อสามร้อยปีก่อนสามร้อปีก่อนยังไม่มีกล้องถ่ายรูปเลย กล้องถ่ายรูปเข้ามาเมืองไทยสมั ย, ายการที่สามหลวงพ่อทวดท่านอยู่สมัยพระเอกาทศรสพระไรถรูกอยู่แถวโน้นห้าหกร้อยปีมันนไม่ใช่สา0รอยปีโอ้ยอนุโมทนากันใหญ่นะถ้าแชร์รูปนี้ออกไปแล้วจะได้บุญมันพากันหลง้ากันงมงายอะไรยงี้ไม่มีเหตุมีผลอะไรทั้งสิ้น ชาวพุทธเราต้องดำเนิชีวิตด้วยเหตุด้วยผลอย่าเชื่ออะไรงมงายงมงายเป็นกิเลสนะการใช้ปัญญาไตรตรองเป็นกุศลนั่นเราชาวพุทธจะทำอะไรมีปัญญาไตรตรองให้ดีบุญที่เราทำมันจะได้ยกระดับขึ้นเป็นกุศลคือช่วยลดละ ก, กิเลสได้วัดง่ายๆเลย เราทําแล้วใจเรากว้างขึ้นไหมหรือทําแล้วใจเราแคบลงถ้าทําแล้วใจเราแคบเนี่ยไม่ได้บุญเท่าไหร่หรอกทำแล้วใจกว้างได้บุญเยอะอย่างคนใจกว้างคนหนึ่งที่มาที่นี่นะอย่างเนี้ยใจกว้างเห็นใครก็สงสารเขาอยากช่วยเขาอะไรเงี้ยใจกว้างวัดนี้ลําบาก ไม่มีเมนก็ไปสร้างเมนให้เขาอนะไรอย่างนี้ถามว่าอยากขึ้นเมนคนแรกไหมไม่ได้อยากไม่มีความโลภนะทำเพื่อสงเคราะห์โดยเมตตาล้วนๆอะไรองนีนะ้อย่างนี้ใจใจใหญ่นี้นะนใจที่กว้างใจที่กว้างเป็นใจที่ได้บุญใจที่แคบมปนใจเห็นแั่ตัวเป็นบาปวัดใจเราเลยเวลาการกระทําทั้งหลายของเราเนี่ย ทำไปด้วยความใจกว้างเผื่อแผ่หรือทำไปด้วยความเห็นแก่ตัววัดอย่างนี้เลยง่ายๆเป็นวิธีวัดใจแบบง่ายๆถ้าทำไปด้วยความเห็นแก่ตัวนะไม่ใช่บุญหรอกถ้าทำไปด้วยใจที่กว้างขวางอยากสร้างประโยชน์อยากให้ความสุขกับคนอื่นอยากให้ความรู้กับคนอื่นอ่างเงี้ยหรืออยากลดละ ก, กิเลสของเราอันนี้ดีที่สุดเลยนะ คนส่วนใหญ่ชอบไปลดละกิเลสคนอื่นแต่สงวนกิเลสตัวเองไว้อย่างเหนียวแน่นนั่นวัดใจตัวเองมาวัดทั้งทีก็รู้จักพ่าวัดจริงๆวัดที่สําคัญที่สุดนะคือการวัดใจตนเองถ้าวัดใจตนเองได้นะบุญที่ทำมันก็เต็มสิ่งที่ทําก็เป็ น, ปนกุศลเพราะมันฉลาด ทำไปด้วยความฉลาดด้วยความไม่เห็นแก่ตัวลดละกิเลสสุดท้ายใจก็พ้นจากกิเลสมรู้มาผลนิพพานไปสิ้นทุกไปเรีอย่างหมอเนี้ยเป็นคนที่ชอบพระธาตุเสียงเงินเป็นล้านๆ น, นะไปหาพระธาตุมา ทีมีพระเก่าๆพระแพงๆเอาไปแลกกับพระธาตุได้พระธาตุมาเยอะๆทีนึงคิดต่อเราไหว้พระธาตุเรามีความสุขมีปีติมีความสุขมีปีติอยู่บ้านเดียวมันแคบไปเอามาถวายวัดหลวงพ่อกขรับมาจนระิงๆหลวงพ่อก็ไม่เอาไว้หรอกพอสร้างเจ ด, ดีย์เสร็จเมื่อไหร่ก็ จะบรรจุไว้ในเจดีย์นั่นแหละมีคนให้พระธาตุให้อะไรมาอยู่เรื่อยๆนะๆนะก็เก็บเก็บเก็บไว้บางคนให้มาล้วก็บอกเนี่ยของแท้เลยหลวงพ่อมีพระบระมสารีริกธาตุา ข, าของแท้ของพระพุทธเจ้านีเยอะแยะเลยพระพุทธเจ้าต้ององค์ใหญ่ขนาดพระนอนวัดอินอะ่ะ มีพระธาตุเยอะขนาดนั้นเตยเป็นหมดนะเต็มบ้านเต็มเมือง น, นะถามว่าเป็นพระธาตุไหมใจเราคิดถึงพระทเจ้านะก็เป็นพระธาตุเป็นธาตุแห่งพุทธะได้ก้อนอิฐก้อนหินสักก้อนหนึ่งเราคิดว่าเป็นพระก็เป็นเป็นที่เคารพที่กราบไหว่อย่างพระพุทธรูปเนี้ย เอาดินมาเนดินไว้ขุดมาคนเหยียบคนย่ามาตั้งกี่พันปีแล้วก็ไม่รู้ขุดมาปั้นเป็นพระ้ก็สําเร็จเป็นพระกราบไหว้ก็ได้บุญส่วนพระาธาตุจริงๆอย่างพระาธาตุที่มีหลักฐานแน่นอนพระาธาตุครูบาอาจารย์พระาธาตุอะไรที่เห็นๆอันนี้ก็ไม่ควรที่จะอยู่บ้านหรอกอุตตเถเจ้าท่านบอกไว้นะคธาตุพระอระหันต์ ควรแก่เจดีควรแก่สถูกต่ไม่ได้บอกว่าควรอยู่ที่บ้านนี่พวกเราพวกเราชอบสะสมกันของอย่างนี้ควรคู่แก่สัตวถูกพระธาตุของพระพุทธเจ้าพระธาตุพระปฏเจจพุทธเจ้าพระธาตุพระอรหันต์แล้วก็พระธาตุของพระเจ้าจักรพรรดิเจ้าจักรพรรดินี่ยบารมีมากคนเหล่าเนี้ย ที่คู่ควรกับสตูปอย่างพวกเราญาติเราตายแา้วเผาแล้วก็มาสร้างเจดีย์ไว้ตามพัตะไม่มีใครเขาไหว้หรอกโลกหลานบางทีก็ลื ม, ล, มลืมไม่มาไหว้เหมือนกันจริงๆก็ไม่ได้คู่ควรกับสตูปแต่เราเคารพเป็นส่วนตัวเราก็มาทาไว้ก็ไม่ได้เสียหลายอะไ ร, อ, ะไรอย่างน้อยก็แสดงความกตัญญู แต่อย่างทา้าดพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระอระหันต์หรือพระจกักพรรดิเนี้ยควรแก่สถุขแล้วอย่างหมอได้พระธาตุครูบาอาจารย์มาเขาคิดว่าอยากให้คนอื่นได้ไหว้ด้วยเขาจะได้ประโยชน์ได้ความสุขด้วยเนี้ยใจอย่างเนี้ยมันเป็นกุศลนะมันเป็นบุญแล้วมันเป็นเคยหยุดเพื่อไปสู่กุศลมี ไม่เห็นแก่ตัวถ้าทำแล้วเห็นแก่ตัวเนี่ยไม่ถึงกุศลนะยากไปไหมเทสวันนี้ใครว่ายากที่เทศมาทั้งหมดวันนี้ไม่ยากนะยากอยู่จุดเดียวเนทะ่านั้นวัดใจคอยวัดใจตัวเองไว้วัดจริงๆก็ไม่ยากหรอกแต่ขี้เกียจวัด ไม่อยากสนใจจิตใจตัวเองเท่าไหร่รักตัวเองที่สุดนะแต่ไม่สนใจจิตใจตัวเองเรอกยงต่อไปนี้พยายามวัดใจตัวเองบ่อยๆสังเกตไปสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคำพูดสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของเราเนี่ยมันเป็นขุศนหรือมันเป็นอคุศลนวัดอย่างนี้นะไม่ยากอะไรหรอกอต่อไปก็เตรียมทอดกริ่กัน วันนี้ไม่มีการส่งกันบ้านนะเดี๋ยวทอดกระถินเสร็จแล้วหลายคนต้องรีบไปทอดกระถินวัดอื่นอีกต้องไปเดินสายถ้ารีบก็ขับรถดีๆนะนี่ยนึกว่าทอดกระถินแล้วปลอดภัยร้อยเอร์เซ็น์ถ้าประมาทนะั่นคืออกุศลให้ผลแล้วถ้าประมาทแล้วความประมาทเป็นอกุศลอาชญ ลำดับต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านนะครับกล่าวคำบูชาพระรัตนาตายพร้อมกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโภพควาอุทาังพัคขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพัคขวตาธมโมธัมมังนามัสสามิ สุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสร้างโฆสร้างกังนมามีขอทุกท่านนะครับราธนาสี่ห้าพร้อมกันนะครับมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาขายาติสรรเนนสหปัญจศีลานิยาจามา ทุติยัมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงระคณทายาติสารเนนสหปัญจาศีลานิยาจามาตาติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงระคณทายาติสารเนนสหา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 ธรรมังมสรนังขชามีธรมังสรนังขชามีสร้างขังสรนังะชามสร้างังสารนังขชามีทุติยัมปีพุทธังสรนังะชามทุติยัมปีพุทงสารนังขชามีทุติยัมปีธรรมังสรนังะชามทุติยัมปีมังสารนังขชามี รุติยมปีสังคังสรนังคชามติยมปีสั่งคังสรนังคาชามีอตยมปีพุทธังสรนังคชามีอตยามปีพุทธังสรังคชามีอตยมปีมังสรนังคชามัติยามปีมังสรนังคชามี ตาติยมปีสังขังสารนังคาชามีตาติยมปีสังขังสารนังคาชามีอิสาระ น, ะนักมนังนิติตังอะหะมะพันเตอานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิามิ อทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุบิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทธังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยมัชฌะปมาทตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อีมานิปัญจสิกขาปธานีสีเรณสุขติงยันตีสาธุสีเรณโภคสัมปทาสาธุสีเรณ น, นิพุติงยันตีตาสมาสีลังวิโสทะเยสาธุลำดับต่อไปนะครับเราจะกล่าวคำถวายภากรถินนะครับขอให้ทุกท่านนะครับได้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 กทินะจิวราทุสังสังคัสสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังคโคอิมังสัปริวารังกทินะทุสังอติคันหาตูปฏิฆาเหตวาจา่า อิมินาทุเสนะกถินังอัทาราตุอัมหากังทีขรัตตังทิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวร ของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับผ้ากระถินและของบริวารเหล่านี้เมื่อรับแล้วโปรดกรานกระถินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัว ตาบสิ้นกาละนานเทินเอวังโหตูเอวังโหตูโยจะปุเพปมาชิตวะปัชชาโซนัปมัชิติโซมังโลกังปพาเซตีอภามุตโตวจันติมายาสสะปาปังคาตังกัมมังกุสเลนะปยตีโซมังโลกังประพาเซตีอภามุตโตวจันติมา อาภิวาทนาสีลิสนิจังอุทาปจายโนจตารูธรมมาวทันติอายุวันโนสุขขังอลังอิดาณิโคพันเตอิมังส ป, ปริวารังกัินาทุสงาาังคสสะกัินาทธาราหะกาเรเยวะอุปานางังอิดีเซจากาเรเอวังอุปนเนนาทุเสนากัินาทาโร ว่สั้างบุธานางภิกุนังภคกขวตาอนุญญาโตเยนะอังคังขามานาสาสร้งคาสับปัญจกปิสันตีอนามันตจารโลอสัมมาดาจารโลคณโพชานางยาวัตถาชีวารางโยจถาชีวรูปปาโดโซเนสร้างภวิสตีจะตูสุปีให้มันติเกสุมาเซสุจิรกาโรมหันติกาโตภวิสตีอิดานิปนาสังโคอังคังขนุโคคขินาข่าลังอุดาหุนาอังคตงขีกังคังขามันเต โสโคโปนพันเตกทินัทธโรภควัตตาปุคาละสะอัฏฐาราเสเนวาอนุญญาโตงัญญตาราปุคาละสอัฏฐาราอัตตังโหติกทินันติหิวุตังภควตานสังโควาคโนวากทินังอัฏฐารติสังขสัจาขนะสัจจัสามะมคียาปุคาลเสวาอัฏฐาราสังขสปิขนะสปิตเวสวะปุคาลสปิอัตตังโหติกทินัง อิดานิเกษมังคทินาดุสังดัสซามักคตินังอัฏฐาริตุงโยชินะชีวโรวาดุพะละชิวโรวาโยวะปนาอุสหิสติอัเชวะชิวรากรรมังนิทธาเปตวาสัพพาวิธานังอภาริหาเปตวาคทินังอัฏฐาริตุงสมัธโธภวิสติ อีธาอมเหสูอาเยสมาปัญญาเฉโยสัพพมหันละโกพระหุสุตโตธรรมทโรวินยะทโรสัพพามจารีนังสันดัสสโกสมารถะโกสมุตเตชโกสัมปาหังสะโกปหุนังอาจาริโยหุตวะโอวะทโกอนุซาสโกสมัตโตจตังตังวินยกรรมังอวิโกเปตวะกะทินังอาทาริตุงมัญญามหาเมวังสะโพยังสังโคอิมังสปริวารังกะินาดุสั อายสมโตปัญญาชยาสะธาตุกาโมตาสมิงกตินังอัจทะรันเตสโพยังสังโคสัมมาเดวะอนุโมทิสติอายสมโตปัญญาชยเสวะอิมังสปริวารังกตินาดุสังดาตุงรูุชติวานโนวสัพสีมาสะสังคาสะยอดีอายสมโตปัญญาชยสะ อิมังสปริวารังกตินาดุสังดาตุมสภัชมัสสาสังคาสรุจจติสาธุพันเตสังโฆอิมังกตินาดุสปาริวาระูตังติจิวารังวสาวสิขติติกายะอาคาเหตตวะอายสมัตโตปัญญาชยเสวอิมนาอปโลกเนนนดาราตุกตินาดุสังปะอปโลกเนนาทียามนปิเนรูหติทัมัตังอิดานิยติดุติเยน กเมนะอกุเปนะธานาระเหนะอายสัมโตปัญญาเชยสาเดมาตีกามสันนิธานังกโรตูญาตโยมรับพรญาตาวารีวาปุราภาิรีปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตะนังอุกปกับปตี อิชิตังพาติตังตุมหังขีปามีวาสมมจตุสพิปเรตุสังกปาจันโทปนาราโสยทามานิโชติราโสียาธาสภิตโยวิวัชนุ สาภพะโรโควินาสตูมาเตภาววันตรายสุขีที่ายุโคภวาอาภิวะธนสิริสานิจังอุทาปจายโนชาตารโหธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขัง อาลังกาเรธาทันติสัปัญญาว่าทันยูวิตามัจราอาเรนาทินังมริเยสูโอชูภูเตสุตาติสูวิปัสสนมานาทัสสาวิปุลาหูติดาคีนาเยตาทานุโมดันติเวยาวัจจังการนทีมา นาเตนาดากินาโอนาเตปิปุญญาสัพพิโนตัสสมธาเตอาปติวานจิตโตยะธาจินยังมะพะรังปุญญาลิพะโลกาสิงปัติทธาหนติปานินันติคาโตเวปัสันานา낭อาคังธรรมังวิชาระตัง อาเคภูเถปัสสนานังทากีเนยอนุตตเรอาเคธรรมเมปัสสนานังมิราภูปัสเมสุเคอาเคสังเคปัสสนานังปุญญเเกเตอนุตตเรอาคสมิงทานังทตังอาคังปุญญพวัตติ อาคังนายุจวันโนจายโสกิติส no ุขขังพลังอาคัสสาธาตาเมธาวีอาคัตธรรมะสมาหิโตเทวาภูโตมนุโซวาอาคัปปโตปามทตติติร ah ัตนาตยญานุภาเวนารัตนาตยญาเตชะสา ขโรคาปยาเวราโสกสตุจุปตะวอเนกาันตายปิวินาสันทูอาเสสะโตชยสิทธิท่านังลาปังโสธิภาขยังสุขังภลังสิริอายุจวันโนจโภคังวุธิจยาสาวะสตวะสจายุจาศวสิทธิภวันตุเต พาวะตูสาพมังคารังรักขันตูสาพะเดวตาสาพาพุทธานุภเวนาสรัสโสดีพวันตุเตพาวะตูสาพมังคารังรักขันตูสาพะเดวตา สัพพธรรมานุภาเวนาสดาโสทิภวันตุเตภาวตุสัพมังคารังรักขันตุสัพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนาสดาโสทิอวันตุเต งานทอดกระถินนะ่นของวัดส่วนสันทิธรรมก็ เ, เสร็จเท่านี้แหละมันไม่มีอะไรยุ่งยากนะสำหรับวัดนี้เรียบง่ายเสร็จในเวลาสิบโมงตามเป้านะเวลาที่เหลือเช่กลับบ้านกหมอจะถวายพระธาตนะุมา อนุโมทนานะเสร็จแล้วไม่มีอะไรยากนะต่อไปพระจะต้องไปกลานกระถินกัน